วันนี้ก็เป็นวันที่สามของการเดินทางนะที่เรียกว่าธรรมยัตราตรงนี้เนี่ยวัดแหลออนซอนก็เป็นที่ที่าชาวธรรมยัตราได้เคยม า, มาพักอยู่หลายครั้งครั้งสุดท้ายนี่ก็ประมาณสามปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ค้างแรงเราเพียงแต่มาพักแล้วก็ชันเพลงก่อนที่จะกลับไปก่อนที่จะตรงไปที่วัดภูเขาทองแล้วก็ไปไปจบที่ตรงนั้นเพราที่จำได้เนี่ยเคยมาค้างแรงที่นี่ประมาณสิบเปีที่แล้วนะปีสี่ห ที่สี่หกนธรรมยตราครั้งที่4ี่แล้วก็นึกไม่ออกว่าได้เคยมาครั้งแลรกหลังจากนั้นอีกหรือเปล่านะจนกระทั่งเนี่ยครั้งนี้เส้นทางถนนที่เร า, เ, าเดิ น, นจากลับผัก้ํามาตั้งแต่นี่ที่ดินก็ห้วยผักหนามเลยนะห้วยผังน้นะําลับผังน้ํามา แล้วก็มาที่นี่เนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ธรรมญาตาาิได้ใช้บ่อยมากนะโดยเพราะในช่วงเจดแปดปีแรกนะอีกจุดหนึ่งที่เราแวะพักเป็นประจำนะั่นคือราดผักนามนะที่เราได้พักกินน้ำกินท่าก่อนที่จะมาถึงนี่ บ้านละพันน้ำที่ก็เป็นจุดพักย้อนนิยมนะของชาวธรรมยตราคือถ้าไม่ถ้าไม่ฉันเพลนะก็ค้างแรงเพราะว่ามีลำห้วยนะที่ไหลผ่านนะพวกชาวธรรมยตราทีา่มาเดินหลายปีเนี่ยก็จะรู้สึกคุ้นนะกับเส้นนี้มากทีเดียว แล้วก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงพอสมควรเช่นหลายจุดก็มีการเท ป, ปูนแ ล, ล้วถึงไม่เท ป, ปูนก็มีถนนลูกรังมาแทนถนนดินธรรมดาธรรมดาพพวกเรานะโชคดี ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะที่วันนี้เราเดินแบบสบายๆนะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นธรรมยราครั้งก่อนๆนะหลายคนคงจำได้ว่าเส้นนี้เนี่ยนะก็เป็นเส้นที่บ่อยครั้งเดินช่วงบ่ายๆแดดแก่ๆ แดดร้อนๆถนนซึ่งเป็นถนนลูกรัง เ, เวลาเดินตอนใบแก่ๆแดดร้อนๆเนี่ยเรียกว่าข้างหน้าก็แดงข้างๆก็แดงข้างๆคือสองข้างทางฝุ่นจากถนนลูกรังมันก็ไปไปไปติดอยู่ตาม ต้นไม้ใบหญ้าเวลาเดินนะเราก็จะรู้สึกว่ามันทั้งร้อนทั้งไม่ใช่แค่ร้อนที่ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดนี่ดูมันชวนให้รู้สึกรุ่มร้อนไปหมดเพราะว่าถนนแดงนะสองข้างทางก็แดงบางครั้งก็เดินด้วยความเหนื่อยล้า หลายคนก็จะรู้สึกทอ้อขึ้นมาว่ามันยังไม่ถึงสักทีหรอนี้จำได้ว่า ม, มีปีหนึ่งนะที่เดินมาตอนแดดร้อนๆตอนบ่ายๆนะสัก บ, บ่ายสามนะบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนีนะ่ชาวธรรมยาตาก็ร้ากันมากนะแต่ว่า พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะหลายคนก็ไปเหลือเห็นดอกไม้มันมีพุ่มเลยนะเรียกว่าเชื่อประทัดจีนนะถ้าจะไม่ผิดประทัดจีนนี่ใบดอกเนี่ยมันแดงสดเลยนะแล้วก็รับแดดรับดวงอาทิตย์เต็มที่เลย พอเห็นนี่หลายคนจะรู้สึกยิ้มขึ้นมาเลยนะบางคนก็ยิ้มในใจแต่บางคนก็ยิ้มนะให้เห็นเลยนะเพราะว่ามันทําให้จิตใจเนี่ยเบิกบานขึ้นมาทันทีตอนที่ใจหอ่อหอใจเหี่ยวเนี่ยนะพอเห็นดอกประทัดจีนมันแดงสดนะบานรับแดดเต็มที่ไม่กลัวแดดเลยนะใจเราก็เลยพลอย ยิ้มไปด้วยยิ้มในใจยิ้มที่ใจเกิดกําลังใจขึ้นมาเพราะว่าขนาดต้นไม้ต้นเล็กๆที่บอบบางมันบอบบางกว่าพวกเราเยอะแต่ว่าเขาไม่กลัวแดดเลยเขากลับพร้อมที่จะบานสู้แดดหลายคนเห็นแล้วก็เกิดกําลังใจขึ้นมาว่าขนาด ดอกไม้ที่บอบบางต้นไม้ที่เล็กๆนี่เขาไม่เขาไม่กลัวแดดเลยก็ทำให้เราเกิดกำลังใจที่จะสู้ที่จะเดินต่ อ, น, อ น, นั้นก็คือภาพที่ที่ได้ที่ประทับใจหลายค น, นช่วงที่เดินมาถนนแถวนี้แหละ ถนนเส้นนี้หรือเถวๆนี้แหละนะคือพอใจเราเนี่ยเบิกบานนะหรือว่าเกิดกำลังใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันก็มีเรื่องมีแรงขึ้นมาเองเลยนะกายเนี่ยนะมันมันอยู่ในอำนาจของใจนะใจเป็นนายกายเป็นบา่าน เราเดินธรรมญาติราเนี่ยเราจะตระหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีนะบางครั้งเนี่ยเส้นทางก็วิบากนะทางก็ไกลนะการก็ล้าดินฟากากาศก็ไม่เป็นใจนะแดดก็ร้อนนะแต่ว่าทันทีที่ใจสู้ขึ้นมา กายมันก็มีเรื่องมีแรงนะที่จะพาเราไปจนถึงที่หมายได้บางครั้งเนี่ยขามันไม่ไปแล้วนะแต่ว่าใจนั่นแหละนะที่มันเป็นตัวที่จะลากเนี่ยหรือตัวยกขาให้พาไปาพวกเราเดินมาทั้งวันนี้นะก็คงจะก็คงจะเห็นนะ ด้วยใจของเราเองนะว่ามันอยู่ที่ใจจริงๆนะหลายคนอาจจะไม่คิดว่าจะเดินาจากป่าปรงพันปีมาถึงที่นี่ได้นะเพราะว่าไม่เคยเดินไกลยอย่างนี้หรือว่าไม่เคยเจอทางวิบากแบบนี้แต่ว่าเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เราทําได้และเราจะทําได้ยิ่งกว่า น, นี้ด้วยพรุ่งนี้เนี่ยทางเนี่ยมันก็จะไกลกว่า น, นี้นะแต่ถ้าเราได้เอาประสบการณ์ของเราในวันนี้เนี่ยมาเป็นครูเราก็จะพบว่าความสําเร็จนี่มันอยู่ที่ใจอันนี้พระเจ้ากระตาไว้แล้วว่า ทำทั้งปวงนะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจนะทำทั้งปวงนี้ก็รวมไปถึงความสำเร็จรวมไปถึงความสุขด้วยความสำเร็จก็อยู่ที่ใจเป็นสำคัญนะแน่นอนต้องอาศัยกายด้วยอย่างเราเดินนะมาถึงนี้ได้ก็ต้องอาศัยเท้าอาศัยตัวแต่ว่ามันต้องอาศัยใจด้วย จริงๆเนี่ยนะแม้ว่าทางมันจะวิบากอย่างไรบางทีกายก็จะไม่ไหวแล้วแต่ถ้าดูจริงๆนะกายมันไหวแต่ที่ไม่ไหวเนี่ยคือใจต่างหากกายเนี่ยมันไหวอยู่แล้วนะบางคนอาจจะถอดรองเท้าแล้วก็รู้สึกว่าช่วงตอนบ่ายนี่โดนหนักหนาทีเดียวนะ เห็ลูกรังทางลูกรังเวลาเดินเวลานั่งรถเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยนึว่าทางลูกรังนี่มันน่ากลัวยังไงบ้างแต่พอเราถอดรองเท้านี่เราจ ะ, จะรู้สึกเลยว่าทางลูกรังนี่ไม่เบาเลยทีเดียวแล้วก็เดินเวลาคนที่เดินเท้าเปล่านี่ก็รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแต่ถ้าพิจารณานะอย่างที่ว่าก็คือว่าจริงจรกายมันไหว แต่ว่าใจนีมันไม่ไหวตางหากแต่ทันทีท no ี่ใจนี่สู้ขึ้นมาใจนี่ไหวขึ้นมาก็สามารถที่จะเดินเหยียบกรวดเหยียบหินนะไปได้แล้วถ้าเกิดว่าเราฉลาดนะเราก็ใช้ช่วงขณะอย่างนี้แหละช่วงขณะที่เราเหยียบ บนกรวดบนหินที่มันคมนี่แหละหรือว่าช่วงที่เราเดินบนทางที่วิบากเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความยากลาบากนะแต่ว่ามันก็สามารถจะสอนทําให้กับเราได้อย่างที่หลวงพ่อท่านได้พูดมาสักครู่นี้นะว่าทุกที่นะทุกเวลานีนะ่มันก็สามารถจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมเฉพาะในวัด ในห้องพระในที่ที่สงบที่ที่ไม่สงบนะที่ที่มันลำบากนะก็สอนทำได้และแม้มีอะไรที่มากระทบสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือชวนให้ไม่พอใจนะก็สามารถจะเราสามารถจะใช้เป็นโอกาสให้เห็นสัจธรรมได้อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่า แม้ถูกเขาดา่าก็เห็นสัจธรรมได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่พอถูกด่าเนี่ยก็จะทุกข์นะทุกข์นี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะถ้าทุกข์แล้วเนี่ยเกิดเห็นทุกข์ขึ้นมามีสติเห็นทุกข์เห็นความไม่พอใจอันนี้ก็ก็เห็นธรรมะได้นะเมื่อเราเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้น แล้วเราก็จะสามารถจะเห็นต่อไปว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุ ท, ทยัยแลเราก็จะพบว่าถูกด่าแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้ถ้าว่าใจเราเนี่ยไม่ไปเปิดทางหรือว่ารวมมือหรือว่ายินยอมงันถ้าเรา มันดูใจเวลามีคนดา่าได้ยินเสียงดา่ามันกระทบหูแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าอ้อมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นนะมันมีทุกภเวทนาเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันก็เกิดอาการผักใสเกิดอาการชังไม่ชอบไอ้ตัวนี้แหละที่มันทำให้ทุกขนะ์แต่ถ้าหากว่า เสียงด่ากระทบหูแล้วใจไม่ปรูมแต่งนะใจเป็นปกติแค่รับรู้เฉยๆหรือว่าถึงแม้มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันเห็นมันแล้วก็วางนะปล่อยมันลงนะไม่แบกไม่ยึดมันเอาไว้ใ้ความทุกข์นั่นแหละหรือว่าไม่เอาคำดา่าคำต่อว่ามาเป็นอารมณ์เอามาคิดเอามาแค้นนะ มันก็ไม่มีทางที่จะทุกได้อันนั้นคื อ, อลมปากนะที่สามารถจะทําให้เราเห็นสัจธรรมได้ในทรรมนองเดียวกันนะเวลาเราเดินแล้วเราเกิดความเหนื่อยเกิดความละนะหรือว่าเกิดความปวดความเมื่อยนะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ ปฏิบัติทาได้แลนะถ้าเราปฏิบัติถูกก็จะเห็นสัตว์จะทำได้เหมือนกันนะเช่น เ, เวลาปวดเมื่อยนะหรือว่าเจ็บเพราะว่าเท้าเหยียบหินนะมันมีความปวดกายขึ้นนะเรียกว่าทุกขเวทนา เราก็ลองสังเกตดูที่ใจว่าใจมันเป็นอย่างไรใจมันเกิดความทุกข์ใจมันเกิดความขุ่นเคืองเกิดความไม่พอใจนะเราเคยสังเกตตรงนี้บ้างไหมหรือว่าพอเท้าเหยียบหินนะจิตมันก็ไปจอ่อไปปักอยู่ที่ เท้าแล้วมันก็ไปยึดเอาความทุกข์ความปวดของเท้ามาเป็นความปวดของใจนะที่จริงทันทีที่เท้าเหยียบหินนะเราควรจะมีสติหันมาดูใจทันทีเลยว่าใจมันรู้สึกอย่างไรมันบนมันตีโพยตีภายไหมมันเกิดความขุ่นเคืองเกิดความโกรธเกิดพยาบาท ก้อนดาก้อนหินหรือก้อนดาเส้นทางเพียงแค่เห็นเท่านี้แหละนะมันก็ช่วยทำให้หลุดทำให้ใจนี้กลับมาเป็นปกติได้เท้ายังปวดอยู่แต่ว่าใจไม่ได้ปวดตามไปด้วยอันนี้เรียกว่ามีสติรู้ใจรู้ใจรู้อาการของใจรู้ปฏิกิริยาของใจ เ, <อ>เมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้น เมื่อเกิดผัสสะขึ้นนะเมื่อจะเป็นเท้าวเวยียอถินหรือว่าความร้อนหรือแดดกระทบกายหรือเสียงกระทบหนะูมันจะมีอาการขึ้นที่ใจอยู่เสมอและถ้าเราไม่มีสติรู้ทันอาการที่เกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละมันก็จะมาบีบคั้นทำให้เกิดความทุกข์ เรียกว่าทุกซ้ำสองนะทุกกายแล้วก็ทุกใจตามไปด้วยขาดทุนนะแต่ถ้าเรามีสติเป็นผู้ดูนะเราได้กำไรนะเพราะว่ากายปวดก็จริงนะแต่ว่าเราได้เห็นธรรมนะเราไม่เพียงแต่รักษาใจให้เป็นปกติเท่านั้นแต่เรายังสามารถจะเห็นธรรมได้ว่าอ๋ไอ้ที่ทุกจริงๆเนี่ย มันไม่ใช่ทุกที่กายแต่เป็นทุกที่ใจนะมันทําทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะไอ้ความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์เนี่ยมันมีใจเป็นใหญ่นะเป็นใจเป็นตัวการเลยถ้าใจไม่เป็นตัวการใจไม่เป็นร่วมมือไม่ไปเปิดทางให้ความทุกข์ก็กลายเป็นเรื่องจิตจอยไปก็คือว่าอย่างทุกข์กายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ละ อันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์นะคือนอกจากใจเราเป็นปกติแล้วเรายังได้เห็นธรรมสิ่งที่หลวงพ่อพูดมาสักครู่เนี่ยนะมันมันเป็นแนวทางให้เราได้นำมาใช้นะกั บ, ก, บกับกับการเดินธรรมญาตราได้นะไม่ใช่เพียงแค่เดินให้ถึงนะตัวในถึงที่หมายเนี่ยแต่ถ้าใจไม่เห็นธรรมะหรือใจไม่ถึงธรรมนี่ก็ถือว่า ยังได้ยังได้ประโยชน์ไม่มากนะตัวถึงที่หมายเนี่ยไม่สำคัญหรอกไม่ถึงก็ได้ตัวเนี่ยนะตัวไม่ถึงที่หมายก็ได้บางคนก็กลับก่อนนะมาไม่ถึงนี่แต่ถ้าเกิดว่าใจก็ถึงทำหรือใจก็เห็นทำนะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากว่าล้วเรามาเนี่ยนะเดินธรรมยาตานี้ไม่ใช่เพียงแค่ พาตัวมาให้ถึงที่หมายในแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นหรือว่าจุดหมายสุดท้ายที่ตากผู้ทองแต่ว่าอยากจะให้เราเนี่ยใจถึงธทรรมด้วยตัวถึงที่หมายใจถึงธรทำอันเนี้ยจะมีคุณค่ามากทำที่ว่านี้เนี่ยก็อาจจะมันมีหลายอย่างนะเช่นมันทําให้เราเกิดความเพียรทยายามากขึ้นมันทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นมันทําให้เรา อ, อยู่ง่ายกินง่ายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมนะและที่ดีกว่านั้นก็คือว่ามันทำให้เรามีสติมากขึ้นรู้จักดูกายดูใจนะไม่ใช่แค่เวลากายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้หรือรู้สึกแต่เวลาอาการของใจมันเกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบนะเวลาเห็นจุดหมายข้างหน้านะ เห็นว so you know, i mean. ัดนดีใจเราก็เห็นเราก็รู้เห็นหลังคาวัดเนี่ยดีใจเพราะว่าแสดงว่าถึงที่หมายแล้วนแต่ปรากฏว่าผู้ควบุมบอลบอกว่ายังไม่ใช่วัดที่จุดหมายที่เป็นจุดหมายของเราใจนี่มันเสียเลยนะทีแรกนี่มันฟูนะเห็นหลังคาวัดโอ้ถึงสักทีแต่พอผู้ควบคุมบอลบอกว่ายังไม่ใช่วัดที่เรา พักนะต้องต่อต้องไปต่ออีกใจมันเสียเลยนะแต่ถ้าใจเสียแล้วแล้วเราเห็นใจเสียเราเห็นอาการของใจที่มันเสียนี่ก็ถือว่าเราได้ธรรมะและ้วคือได้สติไม่ใช่ว่าดีใจก็ไม่รู้ตัวเสียใจก็ไม่รู้ตัวหรือว่าเวลาเห็นรถน้ําจอดอยู่ข้างหน้าดีใจแล้วโอดเดินถึงพักสักถึงเวลาพักสักทีนะ อย่างเมื่ อ, อตอนบ่ายเนี่ยบางคนเนี่ยดูนาฬิกาให้เราเดินเราเดินจากบ้านบ่อทองคำมาสี่สิบนาทีแล้วมันน่าจะพักได้แล้วนะก็รอถึงสี่สิบห้าทียังไม่พักอีกห้าสิบนาทียังไม่พักนะเสร็จแล้วก็สักพักก็เห็นรถน้ำจอดอยู่อ่าดีใจนะแต่ปรากฏรถน้ำบอกว่าอยไปต่อนะนะใจมันเสียเลยนะ เราเห็นไหมเห็นใจที่มันขึ้นมันลงไหมเห็นดีเห็นความดีใจเห็นความเสียใจหรือเปล่าดีใจถ้าไม่เห็นนะก็ขาดทุนนะแต่ถ้าใจเสียแล้วเห็นอาการใจเสียนั้นถือว่าได้กําไรคือได้ธรรมะนะอันนี้เรียกว่ารู้ใจนะรู้กายแล้วก็รู้ใจเห็นอาการของกายเวลาเคลื่อนก็รู้รู้สึกเวลาใจมีอาการใดก็รู้สึก หรือรวมทั้งเห็นเวทนาด้วยนะความเจ็บความปวดส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยเห็นนะคือพอปวดก็เป็นผู้ปวดไปเลยไม่ใช่เห็นถ้าเห็นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เข้าไปเป็นนะเห็นก็คือไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปคือว่าอยู่ของห่างแต่ส่วนใหญ่พอปวดแล้วเนี่ยมันจมันปักตึงกันไปเลยนะมันเข้าไปเป็นแล้วมันไม่เห็น แต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นความปวดนะเห็นความปวดแบบเห็นแบบเป็นกลางๆเห็นแบบรับรู้แต่ไม่แยแสนะไม่วอแว์กับมันนะลองสังเกตดูนะเราลองปฏิบัติดูนะเวลามันปวดนะปวดที่เท้าปวดที่ไหนก็ตามเนี่ยเห็นความปวดแต่ว่าไม่แยแสกับมันไม่แยแสคือว่าไม่ผักไซไม่ต่อต้านไม่กลดามันและขณะเดียวกันก็ไม่ ไม่เข้าไปเป็นมันนะอันนี้เป็นทางสายกลางเวลารับมือกับเวทนาคือรับรู้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆหรือว่ารู้แบบไม่แยแสไม่วอแวร์ไม่ผักไสแล้วก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามมันไม่เข้าไปเป็นมันให้ความความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ย ทุกใจนะมันเกิดขึ้นทันจิที่ใจเราเนี่ยมันต่อต้านผักใสเช่นเวลามีความปวดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแทนที่จะดูมันหรืออยู่กับมันเฉยๆแล้วก็ไปผลักใสมันไปต่อต้านมันแต่ก็ยิงเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่พอใจทุกข์เนี่ยมันก็ไปซ้ําเติมความทุกข์ที่กายให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นแบบฝึกหัดนะที่เราสามารถจะทําได้เลยนะ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเวลาเราปวดเวลาเราเป็ดเวลาเราเจ็บเราเมื่อเนี่ยเราจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยฟรีๆเราจะได้กำไรก็คือว่าเราได้ถือโอกาสฝึกสตินะไม่ใช่แค่ฝึกความอดทนไม่ใช่ฝึกแค่ขันตีอย่างเดียวแต่ฝึกสติด้วยหรือว่าเป็นการเพิ่มปูนปัญญาให้เกิดขึ้นว่าให้เห็นอาการของความทุกข์ว่ามันมีมันมีมันมีมันเป็นมาอย่างไร เช่นพอเกิดผัสสะขึ้นมาก็จะมีเวทนาตามมาแล้วเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมาไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นสมุทัยหรือเหตุให้ทุกข์เหตุแห่งความทุกข์นะาไราเห่งนี้ก็ได้สัจธรรมลแม้ว่าแม้ว่ายงแม้ว่ า, วายังปวดยังเมื่อยหรือว่าแม้ว่ายังเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามสมวงพ่อท่านว่าเนี่ยแม้ถูกด่าก็ยังเห็นสัจธรรมแม้ป่วยก็เห็นสัจธรรมได้ แม้ทุกข์แม้เมื่อยก็เห็นสัจธรรมได้และธรรมญาตาเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นเวทีให้เราได้เห็นสัจธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจะเห็นได้นี่มันต้องต้องมีสติเป็นเครื่องมือนะเพราะถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องมือนี่ใจมันนะมันเข้าไปเป็นตะพึ่งตะพือไปนะกลายเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะเรียกว่าหลวงพ่อใช้คํ า, าคว่า หมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวแปลความปวดหมดเนื้อหมดตัวแปลความโกรธอันนั้นอันนั้นไม่ฉลาดมันเกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้ใ้ความปวดความมึนหรือแม้แต่ความโกรธเราก็บางครั้งเราไม่ไม่ไหวพอมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราก็รู้ทันมันเห็นมันอันนี้แหละคือแบบฝึกหัดนะที่เราสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน เราก็รู้จักปลกใจของเราให้เกิดกําลังใจขึ้นมาได้ด้วยนะถ้าเรารู้จังมองเนี่ยคิงต่างๆรอบตัวก็สามารถที่จะปลุกให้เราเกิดกาลังใจอย่างเช่นที่เมื่อกี้พูดนะเดินไปเหนื่อยเหนื่อยละละเสร็จแล้วเห็นดอกไม้ดอกประทัดจีมันบานแดงสดใสโอ้เกิดกําลังใจขึ้นมามันไม่ใช่แค่ดอกประทัดจีมันมีดอกไม้อีกมากมายที่ เขาแม้จะบอกบางแต่ว่าเขาไม่กลัวดแดดไม่กลวดร้อนนะหันเข้าหาแดดหันเข้าหาภาพทิตเต็มที่เลยแล้วนะเราก็พอเห็นอย่างนี้เราเกิดกําลังใจขึ้นมาได้ในสายพุทธกาลมีบางท่านที่ท่านท้อแท้การปฏิบัตินะแต่ว่าพอเห็นช้างเนี่ยช้างนี่มันมันตกหล่นะมันตกลมแนะลมนะ้วมันพยายามขึ้นจากกลมมันไม่ยอมแพ้เลยมันพยายามขึ้นอยู่นั่นแหละ ขึนไม่ได้นก็ไม่หยุดไม่ท้อมันก็พยายามขึ้นไปอีกขึ้นให้ได้ท่านเห็นแล้วท่านเกิดกําลังใจว่าโอ้ขนาดสัตว์เดรัจฉานนี่มันมันก็ยังไม่ยอมคลายไม่ยอมทิ้งความเพียรแล้วเราจะทิ้งความเพียครคลายความเพียรได้อย่างไรท่านเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุธรรมได้บางทีบางท่านก็รู้สึกว่าจิตใจนี่มันไม่มันไม่ออกมันไม่ม มันไม่ร่วมมือเลยนะจิตใจมันงองแงนะพยศปั่นปวนแต่พอท่านเห็นช้างเนี่ยควานช้างเนี่ยเขาบังคับช้างบังคับให้มันขึ้นมันลงให้มันให้มันลุกให้มันนั่งหรือว่ า, าทํางานสารพัดได้หลายอย่างท่านเห็นก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยขนาดเดราชาเนี่มันก็ยังฝึกได้แล้วใจเรานี่มันจะฝึกไม่ได้เวยหรือ ถ้าเกิดกำลังใจในการเรียจฝึกจิตฝึกใจจงกระทั่งในสูก่ก็ตัดสุขเห็นสัจธรรมนะจิตก็หลุดพ้นอันนี้เราเป็นผู้ที่รู้จักมองรู้จักหากําลังใจจากสิ่งต่างๆรอบตัวให้เราเดินธรรมยาตาเนี่ยเราต้องฉลาดนะเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อเนี่ยพรุ่งนี้นี่จะหนักกว่า น, นี้นะสิบแปกิโลนะเราต้องฉลาดในการที่จะ ไม่เพียงแต่ฉลาดในการดูจิตดูใจดูกายดูใจหรือดูเวทนาเท่านั้นแต่ฉลาดในการที่จะมองเห็นเก็บเกี่ยวกําลังใจและความสุขจากสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นฟ้าไม่ว่าจะเป็นเมฆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าแมลงไอ้สิ่งเหล่านี้สามารถจะเป็นครูสอนธรรมและสามารถจะเป็นมิตรให้กําลังใจกับเราได้ก็ฝากเอาไว้นะ เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะต้องอเดินกันต่อแล้วก็จะเดินไกลกว่าวันนี้ด้วยแล้วก็คำที่พูดกันเท่า น, นี้